ความตายนี่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจจิตของเราเกิดแล้วก็ตายตลอดเวลาเช่นจิตมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปจิตโลภจิต โ, รโกรธจิตหลงแต่ละอย่างเกิดแล้วก็ตายไปถ้าทําได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระอนนท์นะนก็จะเป็นพระอรหันต์เหมือนพระอนนท์นั่นแหละไม่ใช่ว่าตายแงะแกะนะคนไม่ได้ตายอย่างนั้นตลอดเวลาแต่ว่าความเกิดความตายนี่เกิดอยู่ตลอดเวลาในใจเรา